รู้หลาะฉะนั้นเราก็อย่าให้มันรู้หลาเฉพาะวัตถุทางใจของเราให้มันรู้หลาด้วยธรมรมอยู่อย่างพอเพียงแต่รู้หลาด้วยธรรมนี่พระพุทธเจา้าสารเสด็จมีโอกาสที่เข้ามาบรรยายธรรมก็รู้สึกว่ายินดีทางพุทธธรรมเมื่อกจัด ให้มีการทำบุญอยู่เป็นนิดทุกเดือนนี่มนครูอาจารย์มาบรรยายทำให้พวกเราอย่างเช่นเมื่อเช้านี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะเมื่อเช้านี่ท่านเหล่านั้นเป็นท่านที่ทรงทั้งคุณธมบุรและไัยบุบทจะถือว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็น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 คือว่าใช้ได้ยินดียินดีด้วยแต่วันนี้เรามาเจอกันอาตมาก็อาจจะไม่ได้มาแล้วล่ะเพราะพรุ่งนี้ก็เป็นกรถินครนิมนต์สองปีซ้อนแล้วปีกายก็ไม่ได้มาปีนี้ก็อถือโอกาสมายินดีเหมือนกันยินดีที่ได้เป็นองค์แสดงธรรม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 ต้องการว่าอยากจะต้องการให้ตัวของตัวเองนั่แหละให้เป็นพระพุทธเจ้าโดยสร้างบา ร, รมีมาอันนี้คือเป็นความต้องการที่จะเกิดขึ้นชาติใดชาติหนึ่งต้องตัดรู้ให้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ก็สมบัติชาติสองพันห้าร้อยหกสิบปี เจ้าชายสิทธัตถะอุบัติขึ้นมารู้สึกว่ามีบทบาททางคนทางคุณงามความดีมากที่สุดมีบทบาทมากที่สุดมีบทบาทมากจนตรัสรูเรเรสร้เป็นพระพุทธเจ้าจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เนี่ยคือบทบาทของบุรุษคนนั้นเมื่อตาจะรู้เป็นพระพุทธเจา้าอาตมาจะพูดเพียงยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุไปนะพูดให้เต็มรูปแบบไม่ได้ต้องใช้เวลาสักสามชั่วโมงวันนี้นะ่ะถ้าเต็มรูปแบบไม่พอเพราะฉะนั้นจะย่นเข้ามาย่นเข้ามาพอให้เข้าใจเข้าใจเข้าใจก็จะผ่านไปผ่านไปเจ้าชายสิทธัตถ์เนี่ย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 พระพุทธเจ้าให้เชื่อว่าบัวสีเหลาคือเราสุดท้ายนี้เป็นอาหารเต่าและปลาผิดหวังกับคนประเภทนี้เหลาที่หนึ่งเหลาที่สองเหลาที่สามก็ยังพอที่จะป้นไปได้คือเดียนพระพุทธเจ้ามาบัญญัติขึ้นนะเนี่ยพวกเราเมื่อ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 เป็นคนที่พูดก็ไม่ฟังเห็นก็ไม่ดูรู้ก็ไม่เอาเออะเภทนี้พระพุทธเจ้า ก, ก็เลยหมดปัญญาที่จะคือกลายเป็นอาหารเต่าและปลาไปอนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะ่ะศาสนาเนี่ยรูปแบบของศาสนานะ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 มีองค์ประกอบอยู่สี่อย่างอย่างที่หนึ่งคือาศสาสนาวัตถุศาสนาวัตถุกับาศาสนสถานนี้อันเดียวกันนะอย่างที่สองคือาศาสนาพิธีอย่างที่สามคือาศาสนาธรรมอย่างที่สี่คือาศาสนาบุคคล อย่างนี้คือองค์ประกอบของศาสนาถ้าเรามององค์ประกอบสี่อย่างเราก็เห็นจะเห็นความเป็นศาสนาเป็นรูปแบบขึ้นมาศาสนาวัตถุหรือว่าศาสนสถานเนี่ยวัดบาอารามเดี๋ยวนี้พวกเราทั้งหลายก็ไปให้ความสําคัญกับศาสนาวัตถุมากกว่าศาสนาธรรม คำว่าศาสนวัตถุเนี่ยพวกเรายินดีในการสร้างในการให้ทานสร้างวัดบ า, ารามรูห้หราสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมหรูหราก็ไม่ใช่ว่า ไ, ไม่ได้บุญได้แต่เราเป็นเน้นไม่ถูกจุดยินดีพระองค์ไหนเป็นเจ้าอาวาสถ้าไม่มีการก่อสร้างก็หาว่าพระองค์นั้นไม่มีบารมี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 พิธีกรรมของพระสงฆ์ต่างๆมีไม่กี่ไม่มีไม่กี่อย่างแต่เดี๋ยวนี้มีทั้งคํากล่าวถวายโทรทัศน์มีทั้งคํากล่าวถวายสามจีสามเจอกันเอา้ามันพิธีรีตองมันงอกออกไปอะ่ะเนี่ยถ้าเรามาเน้นในศาสนาวัตถุเน้นในศาสนาพิธีมากเกินไป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 นักบวชจริงๆที่จะหันหน้าเข้าหาอัตถิธรรมด้วยการประพฤติธปฏิบัติรู้สึกว่าร่อยหลอลงทุกวันทุกวันเพราะอะไรเหรอเพราะพวกเรามาเน้นในศาสนาวัตถุกับศาสนาพิธีศาสนาธรรมได้แก่อะไรศาสนาธรรมคืออย่างหลวงตาบันเทศไปเมื่อกี้นี่แหละศาสนาธรรมนี้เป็นรูปแบบรูปแบบของ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 เกิดขึ้นมาหูไม่หนวกตาไม่บอดไม่ใบบ้าปัญญาสามกายไม่วิปริตจิตไม่วิป ร, ราชเกิดขึ้นมาแล้วยังโปรขึ้นในถ้ำกลางของพุทธธรรมะสังฆะถือว่าไม่ใช่ธรรมดานะถือว่าพวกเรานี้กำลังแหวกว่าอยู่มหาสมุรของกองบุญนะถือว่าพวกเรานี้กำลังแหวกว่าอยู่ในมหาสมุดของธรรม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 ได้ทุกการทุกเวลาเนะี่ยธรรมะคำตรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่ า, าศาสนธรรมเนี่ยเป็นของสาธารณทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไขวคว้าได้ทุกการทุกเวลาวันนี้อาจจะมาจะมาปฏิมาพวกเรามาพาพวกเราปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆสบายสบาย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 ใจิตใจของพวกเราไปลื้อขยะจินน่ะเดี๋ยวนี้แหละโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้เอาลือตั้งแต่ปีไหนเดือนไหนก็เอามาอุ่นจินอยู่นั่นแหละนี่คือลือือขยะจินทีนี้การที่เราจะทําสมาธิเนี่ยเราต้องตัดกระแสพวกเราเนี้ยทวนกระแสเข้ามาทวนกระแสเข้ามาด้วยการบริกรรมพุโทโธ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 จิตที่แท้จริงเรายังมองไม่เห็นอ่ดูดูอยู่ทรงอกที่นี้ให้ทุกคนทรงกระแสจิตไปที่บ้านของตัวเองจะเห็นเป็นรูปออกมาเลยว่าตู้เย็นตั้งอยู่ที่ไหนทีวีตั้งอยู่ที่ไหนนี่คือเราส่งกระแสจิต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 ทำได้ไมเอ่ยเอาเวลาน้อยจะบ่ายมงแล้วทำได้ไหมตัดจากบ้านของเราแล้วมารู้สึกอยู่ที่องค์พระอยู่ที่ทรงอกวันนี้เราจะให้พวกท่านทั้งหลายได้รู้จักว่าให้กำหนดรู้อยู่ที่ทรงอกที่เดียว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 เราหยุดปุ๊บวิปัสนาลับพับเข้ามาความนึกคิดนันหายปับ๊บความเห็นจริงเกิดขึ้นว่าผมคนเล็บปันหนังต้องเป็นอย่างนี้อย่างี้เอาไม่นึกก็เขาไปเองอ่ะทีนี้นะนี่เขาเรียกว่าวิปัสนาเอาวิปัสนาคไปล่อเอาวิปัสนากินแ้ะดับนี้ต้องต้องเอาความนึกคิดเราเห็นไหมปั๊มน้าของของพวกเราถ้าปั๊ม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 จุดแรกที่จิตหลงก็คือร่างกายของตัวเองเพราะฉะนั้นกรรมฐานสายกรรมฐานนี้จึงให้พวกเราเข้ามาพิจารณากายคนก็ไม่ได้สวยได้หล่ออะไรกันมากมายแต่ทำไมมันหลงกันมากกันนักกันหนาทำไมมันทำไมมันอยู่คนเดียวไม่แน่เลยเหรอแล้วยังไงมันหลงใครอันนี้มากนักหนาเลอวเกินนีดก็ไม่ได้ต่างกันอะไรนะ หัวก็หัวเดียวเหมือนกันหมดขาก็สองขามันกันหมดสองแขนเหมือนกันหมดแต่อะไรมันมันมันเกินไปแล้วหรือหรือว่ายัางไงเนี่ยชายหลงหญิงหญิงหลงชายเนี่ยเอเ อ, เอก็เอามาจุดแรกคือร่างกายถ้าเรารู้ความเป็นจริงของร่างกายของตัวเองคนอื่นก็เหมือนกันเป้าหมายความถือเนื้อถือตัวก็คือหลงกายของตัวเอง เป้าหมายที่ไปอิจฉาพยาบาทอาฆาตของคนอื่นก็คือหลงตัวเองทีนี้เราต้องเอาธรรมะเนี่ยเป็นกล้องให้เขาส่องดูจริจรงๆเถอะพระพุทธเจ้ายัางไงพระพุทธเจ้าก็ถือว่าทาสีแล้วห่ะอันเนี้ยทําไมเรามองมองไม่เห็นถึงแม้ว่าจะฟังคําเทศหรือว่าจะศึกษาในหนังสือทุกองค์ทุกท่านก็ตรัสว่าเป็นหนังสือ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 ถ้าพูดถึงเรื่องตายนี่มันกลัวทันทีทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้ตายทางจิตนะร่างกายเป็นคนตายจิตนี้มันตายไม่เป็นมันจะไปต่ออยู่ทีนี้จิตเห็นธาตุทั้งมันก็จะเกิดการเบื่อหน่ายการเบื่อหน่ายนี่อยากจะเป็นบันไดสาคัญให้จิตจิตก็จะทวนกระแสมากกว่าการเป็นสมาธิเข้าไปเข้าไปเข้าไป ถึงทำระดับหนึ่งนั้นถ้าจิตเข้าไปยืนอยู่ระดับหนึ่งนั้นเราจะรู้ตัวเองได้ชัดเจนที่สุดว่าเราโง่โอ้โหเราโง่ขนาดนี้เหรอคาพูดหรือว่าอากับกิริยาที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยจิตดวงที่พัฒนาเข้าไปถึงจุดนั้นเขาจะบอกว่าเราเหรอ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 ตาสงสารเนาะที่เอาไปได้ก็ไม่พากันทงที่เอาไปไม่ได้เดี่ยวมันจู้ตายจริงๆมันตื่นตั้งแต่เช้าล้างหน้าล้างตามันจะไปเอาอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าอะไอย่างนะเงี้ยอะไรยเงี้ยสิ่งที่เอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้เนี่ยเป็นของสาธทะนะตักตัวงเอาได้ทุกการทุกเวลามะ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 ผนทางออกมีใครไม่รู้ไปถามพระธรรมพระธรรมจะชี้ผลทางให้เองเดี๋ยวไม่กี่วันกี่เดือนกี่ตีท่านอย่าคิดว่าเราจะแก่ตายอย่างเดียวนะความตายของร่างกายอันนี้มีสิ่งที่จะมาทาให้มันตายมากมายตั้งแต่ ว, วันนี้ไปอย่าประมาทเลยเข้าไปหาไอ้ตัวที่ไม่มีตัวตนที่เนี่ย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 ชนะหรือแพ้ก็คือใจตัวของเราเองเป็นพู้กกำกับคือสติและปัญญาเราจะเอาอยัางไงคิดให้ดีกับตัวเองถ้าคุณพลาดชาตินี้ชาติต่อไปคุณจะประยู่ที่ไหนกับใครไม่มีนะไม่มีหรูหราอย่างนี้นะไม่มีหรูหรา เซนท่านบราซาอะไรนี่อย่าได้คิดเลยคาโปชิโนชิเน่เนี่ยไม่มีอ่ะจะไปคิด <c oughs> <c oughs> แม้แต่เวลาท่านไปท่านก็ยังไปคนเดียวอ่ะร่างกายที่มันไม่หมดสภาพเนี่ยญาติพี่น้องเรานั่นแหละจะเป็นคนจัดการเผาเองไม่มีใครอ่ะ อย่าปล่อยให้หลุดไปถ้าปล่อยให้หลุดไปในชาตินี้ท่านจะเป็นทุกข์อีกหลายหลายชาติเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ใช่ธรรมดาพวกเราเนี่เกิดขึ้นมาเจอศาสนาพุทธมีผู้บรรยายําให้เข้าอกเข้าใจอยู่นิดเท่ากับว่าพวกเรานี้ยืนอยู่ยืนอยู่ในมหาวิยาัยของพระนิพพานเนะ่ะเดี๋ยวนี้หนละท่านจะเอาหรือไม่เอาแค่นั้นแหล ะ, ะสมมติว่าท่านตายไปแล้ว ห ล, หลายชาติกลับมาอีกไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าประดับโลกอยู่ท่านจะเป็นลักษณะไหนถ้ามีาศาสนาอื่นประจําอยู่ท่านก็จะไปอาศัยาศาสนานั้นพออยู่ได้ถึงบรรดายแค่นั้นเดี๋ยวนี้รู้ดีรู้ชั่วรู้ต่ํารู้สูงรู้ถึงกับว่าความแบบเป็นพระนิพพานแล้วเราทําอะไรอยู่เราไม่มีสิทธิที่จะรอใครในโลก ในโลกนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้เรารอเขาได้เพราะเหมือนกันตายเหมือนกันการแสดงทมบันนี้เนาะเวลาก็จินเวลามาเยอะกาเสนอสนองให้กับสรุปแล้วก็ให้พวกเราที้ลงที่ใจดวงเดียวนะ สรุปก็คือทําคุณงามความดีทางใจทางใจนี้แหละเป็นยอดบุญยอดกุศลท่านนึกถึงนายหลวงท่านประพฤติปฏิบัติบูชาท่านท่านนึกถึงปู่ย่าตายายประพฤติปฏิบัติบูชาท่านนึกถึงบิดามารดาประพฤติปฏิบัตินี่แหละบูชาท่านพระพุทธเจ้าตรัสเอาอะไรเอาไว้ไวแล้วว่าการบูชาที่สูงสุดคือการปฏิบัติบูชาสรุปแล้ว ลงที่จิตใจที่เดียวเพราะฉะนั้นการได้มาบรรยายธรรมวันนี้ก็ให้ท่านทั้งหลายได้มีสติปัญญาเอาตนพ้นทุกข์รู้แจ้งเห็นจริงในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ก็เป็นบุญกุศลกับสถานที่ซึ่งเป็น <c oughs> ชมรมทีโอทีที่ได้มีเจตนาสร้างบุญสร้างกุศลได้เกิดขึ้นวันนี้ มีความสุขความเจริญการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรนะาบางก็มีด้วยประการด้านนี้สาธุครับต่อไปก็ตั้งใจน้อมรับพรนะครับนนรับพรเรับพรด้วยบุญด้วยกุศลของตัวเองมีความสุขความเจริญด้วยการประพฤติปฏิบัติของตัวเอง ควาสุเวยพรก็เป็นคำปากลมปากเฉยถ้าความสุขตรงนี้มีความสุขตามคำเวยพรรับพรจริงบาปทำไมไม่มีใครไปให้พรมันมันถึงบาปอยู่ถ้าตรงนี้มันให้ความสุขจริงเราก็นั่งรถสัก เช้าหนึ่งสักสองร้อยวัดไปรับเอาอายุบรรณวสุขขังพลังแล้วก็มีความสุขกันทั้งนั้นแต่อันนี้เขาเรียกว่ า, าศาสนพิธีเพื่อที่จะให้เสร็จไปเราอย่ายึดถือตรงนี้การให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดให้จบแล้วคือจบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องรับปรงรับปรนก็ได้แต่วันนี้ให้ ใช่ไม่ใช่ไม่ให้นะ <c oughs> ตามพิธีนั่นแหละ <c oughs> ย่ถามาริมหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเนวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะปะติ อิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวัสมิฉาตูสะเพปุเรนตุสังกป่าจันโทปนะระโสยถามนิโชติระโสยถา สัพเพติโยบิปัจจันตุสัพโรโคบินัสตุมาเตพมวัตบรรดาราโยสุขีตีขายุโกพมวะอะภิบาทนะสิลิสันิจังบุตถาปจายิโนจัตารโอธรมมวัฏฐันติอายุวันโอสุขังพระลังโส อัธะรัตโตสุกิโตเิรุณโหพุทธสาสะเอะโรโกสุกิโตโหเหสหัสเบเหยาติจิภวตุสัปภังคะลังรักขตุสัปเทวตาสัพปุทานุภาเบนะพัปปะตมานุภาเบน สภัสังขานุภาเวนะ ส, สัทธาสุทีพะวันตุติสาธุ